วันนี้พวกเรามาฟังเทศฟังธรรมกันเพื่อศึกษาวิธีสร้างที่พึ่งทางใจกันเพราะการสร้างที่พึ่งทางใจนี้มีความสําคัญต่อความสุขความทุกข์ของใจถ้าเราไม่มีที่พึ่งทางใจ ใจจะมีแต่ความทุกข์มีแต่ความรุ่มร้อนมีแต่ความวุ่นวายใจถ้าเรามีที่พึ่งทางใจใจก็จะสงบมีความสุขมีความสบายใจก็เป็นเหมือนร่างกายที่ต้องมีที่พึ่งเช่นเดียวกันตอนนี้ร่างกายของพวกเรา มีที่พึ่งกันเพราะว่าร่างกายของเราตอนนี้อยู่กันอย่างเป็นปกติสุขไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่หิวไม่ขาดแคลนไม่บกพร่องเพราะเรามีปัจจัยสี่ให้กับร่างกายที่เป็นที่พึ่งของร่างกายคือเรามีอาหาร มีเครื่องนึ่งหม่มมียารักษาโรคมีที่อยู่อาศัยร่างกายของเราจึงอยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่เดือดร้อนไม่เจ็บไข้ได้ป่วยแต่ใจของเรากลับไม่สุขไม่สบายเหมือนกับร่างกายกลับมีความ ทุกมีความวุ่นวายมีความวิตกกังวลห่วงหน้าห่วงหลังอยู่ตลอดเวลาก็เพราะว่าใจของเราขาดที่พึ่งไม่เหมือนกับร่างกายที่มีที่พึ่งแล้วเราจึงต้องมาฟังเทศฟังธรรมกันเพื่อมาศึกษาวิธีสร้าง ที่พึ่งทางใจกันที่พึ่งทางใจของพวกเราก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละแต่ตอนนี้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่พวกเรารู้จักยังไม่ได้เป็นที่พึ่งของเรายัางไม่สามารถที่จะมาดับความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆ ให้หมดไปได้เพราะตอนนี้ที่พึ่งทางใจของเราคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยังอยู่ข้างนอกใจของเรานี่เองเปรียบเหมือนกับยารักษาโรคภัยไข้เจ็บของร่างกายถ้ายานี้ไม่ได้เข้าไปสู่ร่างกายยาก็จะไม่สามารถที่จะรักษา โรคภัยไข้เจ็บของร่างกายให้หายไปได้ในเวลาที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็จำเป็นต้องไปหาหมอไปหายาเมื่อได้ยามาแล้วก็ต้องรับประทานยาเพื่อเอายาเข้าสู่ร่างกายเพื่อที่จะได้ไปทำลายเชื้อโรคต่างๆ ที่ทำให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายยาถึงจะสามารถทำหน้าที่รักษาโรคภัยไข้เจ็บของร่างกายได้พระพุทธพระธรรมพระสงค์นี้ก็เป็นเหมือนอยารักษาโรคใจโรคของความเครียดโรคของความทุกข์โรคของความวิตกกังวลโรคของความวุ่นวายใจ ถ้าเราไม่ได้เอาญาณคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้ามาสู่ใจของเราใจของเราก็ยังจะไม่ได้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มารักษาใจของเราให้อยู่อย่างสุขอย่างสบายได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เรารู้จักตอนนี้ยังอยู่ข้างนอกอยู่ เจนเรารู้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นใครเรารู้จากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจากการได้ยินได้ฟังเทศน์ฟังธรรมกันอยู่อย่างสม่าเสมอเรารู้จักพระอริยสงสาวกต่างๆที่เราได้ไปกราบไหว้บูชาแต่ ท่านยังไม่ได้เข้ามาสู่ภายในใจของพวกเราใจของพวกเราจึงยังมีความทุกข์มีความวุ่นวายใจอยู่เพราะเราไม่เอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้ามาสู่ใจของเราเหมือนกับที่เราเอาอยารักษาโรคของร่างกายเข้าสู่ร่างกายด้วยการรับประทานยา อยงนั้นถ้าเราอยากจะให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เข้ามาสู่ใจเพื่อมารักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเราก็ต้องน้อมเอาเข้ามาสู่ใจของเราวิธีที่จะเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้ามาสู่ใจของพวกเราก็คือเราต้องปฏิบัติตามแบบฉบับ ตามที่พระพุทธเจ้าพระอริยสงสารลกได้ปฏิบัติตามคาสอนที่ท่านสอนให้เราปฏิบัติถ้าเราไม่ปฏิบัติเราก็จะเหมือนกับไม่ได้รับประทานยาเหมือนกับไปรับยามาจากหมอหมอก็สั่งว่าให้รับประทานยานี้วันละสามสี่เวลา รับประทานข้ั้งละกี่เม็ดถ้าหมอสั่งให้เรารับประทานยาแล้วเราไม่รับประทานยายานั้นก็จะไม่สามารถเข้ามาทำหน้าที่รักษาโาครคภัยไข้เจ็บของร่างกายให้หายไปได้ฉันใดพระพุทธพระธรรมพระสงค์ที่เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของจิตใจที่จะสามารถดับความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆให้หมดไปได้ ก็จะไม่สามารถทำหน้าที่ได้ถ้าเราไม่ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสรงสอนให้ปฏิบัติถ้าเราไม่ปฏิบัติตามแบบฉบับของพระพุทธเจ้าตามแบบฉบับของพระอริยสงฆ์สาวกเราก็จะไม่ได้พระพุทธพรทธรรมพระสงฆ์มาเป็นที่พึ่งมารักษาโรคใจ คือความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆให้หมดไปจากใจได้ดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำหลังจากที่เราได้รับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาแล้วเราก็ต้องปฏิบัติตามพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองถึงจะเรียกว่าเป็นการเอาอยาเข้ามาสู่ใจเอกามารักษาใจของพวกเรา การที่เราจะปฏิบัติตามพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้เราก็ต้องรู้ว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นท่านปฏิบัติกันอย่างไรเราก็ต้องศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้าศึกษาประวัติของพระอริยสงสาวกทั้งหลายศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนนั้ได้ปฏิบัติมา คือสอนให้พวกเราทำทานสอนให้พวกเรารักษาศีลสอนให้พวกเราภาวนากันนี่เป็นวิธีที่จะนำเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นที่พึ่งทางใจนี้เข้ามาสู่ใจเพื่อมาปกป้องรักษาคุ้มครองจิตใจไม่ให้ถูกความทุกข์ต่าง เข้ามาเหยียบย่ำทำลายจิตใจเราจึงต้องศึกษาก่อนว่าพระพุทธเจ้าท่านปฏิบัติอย่างไรพระอริยสงสาวกท่านปฏิบัติอย่างไรพระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวกสอนให้พวกเราปฏิบัติกันอย่างไรเมื่อเราได้ศึกษาแล้วเราก็จะได้รู้จักวิธีที่จะปฏิบัติให้ถูกต้อง ถ้าเราไม่ศึกษาเราก็จะไม่ได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องเมื่อไม่ได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องผลก็จะไม่เกิดหรือถ้าเกิดก็เกิดไม่สมบูรณ์ดังนั้นสิ่งที่เราต้องศึกษาในเบื้องต้นก็คือประวัติของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงปฏิบัติตนอย่างไร พระพุทธเจ้าก็ท่งสละราชสมบัติในอายุในขณะที่มีพระชนม์มพันษา29พันษาการสละราชสมบัตินี้ก็คือทานการทำทานนี้ก็คือการสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆที่เรามีอยู่สละมากสละน้อยก็เรียกว่าทาน แต่ถ้าอยากจะทำทานให้ครบให้สมบูรณ์ก็ต้องทำแบบพระพุทธเจ้าทำแบบพระอริยสงสารุกก็คือสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองนี้ไปให้หมดไม่ต้องการที่จะพึ่งอาศัยทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเป็นที่พึ่งทางใจพอรู้ว่า ไม่สามารถเป็นที่พึ่งทางใจได้นั่นเองเพราะต่อให้ร่ำรวยขนาดไหนมีทรัพย์สมบัติมากน้อยเพียงไรก็ตา่าง mm. ก็จะไม่สามารถที่จะมาดับความทุกข์ใจให้หมดไปได้และอาจจะกลับทําให้มีความทุกข์ใจเพิ่มมากขึ้นไปอีกด้วยความหลง ไปยึดติดกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองแล้วก็ต้องมาคอยดูแลรักษาคอยวิตกคอยกังวลกลัวว่าจะสูญเสียทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองจึงไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะมาดับความทุกข์ใจ แต่กลับจะทำให้เกิดความทุกข์ใจเพิ่มมากขึ้นไปนักบาชอย่างพ่อพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกทั้งหลายท่านจึงไม่ยึดไม่ติดกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองให้เป็นที่พึ่งของใจเพราะว่าทรงเห็นด้วยปัญญาว่ามันเป็น ตัวที่จะทำให้ใจทุกข์เพิ่มมากขึ้นไม่ได้ทำให้ใจทุกข์น้อยลงจึงต้องสลัดทิ้งไปต้องสละราชสมบัติแล้วก็จะได้มีเวลาที่จะได้ออกไปรักษาศีลอย่างเต็มที่และภาวนาอย่างเต็มที่ พราการรักษาศีลและการภาวนานี่แหละที่จะเป็นวิธีที่จะสร้างที่พึ่งทางใจให้เกิดขึ้นสร้างธรรมะให้เกิดขึ้นที่พึ่งทางใจก็คือความสงบของใจนี่เองใจจะสงบได้ก็ต้องมีธรรมะต้องมีศีลต้องมีสติ ต้องมีสมาธิต้องมีปัญญาและการที่จะมีศีลมีสติมีสมาธิมีปัญญานี้ก็จาเป็นที่จะต้องมีเวลามาสร้างศีลสร้างสมาธิสร้างสติสร้างปัญญากันถ้าเรายังไป ม, มีความผูกพันอยู่กับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเราก็จะไม่มีเวลา ที่จะมาสร้างศีลสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญากันนั่นเองเราก็จะต้องไปคอยหาเงินหาทองแล้วก็ใช้เงินใช้ทองเพื่อดับความทุกข์ทางใจต่างๆแต่ใช้มากน้อยเพียงไรก็ไม่สามารถดับความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจได้เราก็จะไม่มีเวลาที่จะมา สร้างธรรมที่จะสามารถดับความทุกข์ทางใจได้คือสร้างศีลสร้างสมาธิสร้างปัญญาขึ้นมานี่คือเหตุผลว่าทำไมจึงต้องละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองแล้วออกมาบำเพ็ญกันมาอยู่แบบนักบวชกันก็เพราะว่าจะได้มีเวลามาสร้างธรรมะ ที่เป็นที่พึ่งทางใจนี้เข้ามาให้มีอยู่ในใจนั่นเองด้วยการเอาแบบฉบับของพระพุทธเจ้าและแบบฉบับของพระอริยสงฆส์ผู้ที่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายแล้วนั้นเอามาเป็นเยี่ยงอย่างเอามาเป็นตัวอย่างของการปฏิบัติของเรา เพราะว่าถ้าเราสามารถปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายได้ปฏิบัติแล้วเราก็จะได้ผลเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายได้รับผลนั่นเองเราก็จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงจะไม่มีความทุกข์เข้ามาเหยียบย่ำำําทําลายจิตใจของพวกเราเลย ถ้าเราสามารถปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายได้ปฏิบัติกันเพราะเรื่องของเหตุและผลนี้เป็นเรื่องที่มันรับรับกันถ้ามีเหตุก็จะมีผลถ้าไม่มีเหตุก็จะไม่มีผลเหตุก็คือการปฏิบัติแบบพระพุทธเจ้า แบบพระ อ, อริยสงสาวกผลก็จะเป็นผลที่พระ อ, อริยสงสาวกุกผลที่พระพุทธเจ้าได้รับกันก็จะเป็นผลที่เราจะได้รับเช่นเดียวกันดังนั้นเราจึงต้องมีเวลามาสร้างศีลสร้างสติสร้างสมาธิและสร้างปัญญาเราถึงจะได้ทำใจให้สง บ, บได้ กำจัดเหตุที่ทำให้ใจวุ่นวายทำให้ใจทุกข์ได้เมื่อเราสามารถทำใจให้สงบและกำจัดเหตุที่ทำให้ใจวุ่นวายได้ใจของเราก็จะมีความสงบมีความสุขไปตลอดเรียกว่ามีที่พึ่งทางใจมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจเพราะเราปฏิบัติเหมือนพระพุทธเจ้า เหมือนพระธรรมพระสงฆ์ท่านได้ปฏิบัติท่านได้สอนให้เราปฏิบัติกันนั่นเองนี่คือหัวใจของการสร้างที่พึ่งทางใจสร้างพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขึ้นมาสู่เข้ามาสู่ใจของเราตอนนี้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ข้างนอกยังไม่สามารถที่จะคุ้มครองรักษาจิตใจของเราไม่ให้ทุกข์ไม่ให้วุ่นวายได้ แต่ถ้าเราน้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่อยู่ข้างนอกนี้เข้ามาสู่ข้างในใจเราแล้วเราก็จะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุ้มครองรักษาใจของเราไม่ให้ทุกข์ไม่ให้วุ่นวายได้นี่คือสิ่งที่พวกเราต้องทํากันถ้าเราอยากจะได้ที่พึ่งทางใจ เราต้องไม่พึ่งอะไรเราต้องพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพียงอย่างเดียวเท่านั้นถ้าเราไปพึ่งสิ่งอย่างอื่นเช่นเราไปพึ่งทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองไปพึ่งลาบยศสรรเสริญไปพึ่งรูปเสียงกลิ่นรสผลถั่วชนิดต่างๆเราก็จะไม่มีเวลาที่จะมาสร้างพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ให้เกิดขึ้นภายในใจของพวกเรานั่นเองเพราะเราจะต้องเสียเวลากับการหาราบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกเิ้นกายอย่างที่พวกเรากำลังทำกันอยู่ในขณะ น, นี้เวลาส่วนใหญ่ของพวกเรานี้หมดไปกับการหาราบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกเิ้นกายกัน เราจึงไม่มีเวลาที่จะมาหาศีลหาสติหาสมาธิหาปัญญากันเราก็เลยไม่ได้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งให้กับใจของเราว่าเราไปพึ่งราบยศเสริญไปพึ่งรูปเสียงกลิ่นลดผทธพานนั่นเองแต่รูปเสียงกลิ่นรด ปฎิภาและลาบยศสลเสริญนี้ไม่สามารถที่จะปกป้องรักษาคุ้มครองใจของพวกเราไม่ให้ทุกข์ไม่ให้วุ่นวายได้แต่กลับทําให้ใจของเรามีความทุกข์ความวุ่นวายใจเพิ่มมากขึ้นไปเพราะว่าลาบยศสละเสริญและรูปเสียงกลิ่นลดปฎิภาณนี้เขาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเอง เขาไม่เที่ยงเขาไม่ถ้าวรนเขาให้ความสุขเราได้เป็นพักๆเป็นช่วงครั้งช่วงคราวเวลาที่เขาจากเราไปเราก็จะเสียใจเราก็จะทุกข์ใจกันแต่เราก็ไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับไปห้ามไม่ให้เขาจากเราไปได้เพราะนี่เป็นธรรมชาติของราบยศสัระเส ร, ริญ ของรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะเขามาแล้วเขาก็ไปเขาเจริญแล้วเขาก็เสือ่อมและแม้แต่ร่างกายของพวกเราที่เราใช้ในการหาราบยศสรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสผลทพะก็เป็นเช่นเดียวกันร่างกายของเราก็ไม่ถาวรร่างกายของเราก็อยู่ได้ในระยะหนึ่งในระยะเวลาหนึ่ง หลังจากนั้นแล้วร่างกายของเราก็ต้องแก่เจ็บตายไปเวลาที่เราไม่มีร่างกายเราก็จะไม่สามารถหาที่พึ่งจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นลดผดทพเได้พอเราไม่สามารถหารูปเสียงกลิ่นลดผธทพเหาลาบยศสรรเสริญได้เราก็ทุกข์ใจกัน แล้วเป็นเหตุที่ทำให้เราต้องกลับมาหาร่างกายอันใหม่มาเกิดใหม่มาทำแบบที่เราทำกันอยู่ในขณะนี้ใหม่ก็คือมาพบกับความทุกข์ใหม่เพราะเราจะมาหาราบยศสรรัเสริญมาหารูปเสียงกลิ่นลดผลทพะกันใหม่แล้วก็มาเสียใจมาทุกข์ใจเวลาที่ราบยศสำรเสริญเวลาที่รูปเสียงกลิ่นลดผลทพะพัดภาคจากเราไป เวลาที่ร่างกายพัดพลาดจากเราไปนี่จึงไม่ใช่เป็นวิธีที่จะสร้างสารณะเพื่อปกป้องคุ้มครองรักษาไม่ให้ใจทุกข์วุ่นวายนั่นเองแต่กลับเป็นการไปหาสิ่งที่จะสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายให้แก่ใจเพราะสิ่งที่พวกเราไปหากันนี้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเอง คำว่าทุกขังก็บอกแล้วว่ามันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขที่มันเป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันไม่ถาวรและเราก็ไปควบคุมบังคับให้อยู่กับเราไปตลอดให้เป็นของเราไปตลอดไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นราบยศสรเสริญไม่ว่าจะเป็นเลือเสียงกลิ่นรสไม่ว่าจะเป็นตาหูจมูกมิ้นกาย เขเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเท่านั้นนักปราชญ์จึงไม่เพ่งราบยศระเสริญไม่เพ่งรูปเสียงกลิ่นรสไม่เพ่งตาหูจมูกลิ้นกายแต่มาเพ่งออธรรมะคือความสง บ, บของใจที่เป็นนิจจังสุขขังอัตตาออธรรมะนี่แหละความสง บ, บของใจนี่แหละ ที่จะเป็นที่พึ่งของเราอย่างแท้จริงเพราะจะเป็นนิจจังจะอยู่กับเราอย่างถาวรจะให้ความสุขกับเราเพียงอย่างเดียวจะเป็นของเราไปตลอดจะไม่มีวันที่จะจากเราไปนักปราชญ์อย่างพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสารุกจึงให้ความสำคัญต่อการมาสร้างธรรมะกันมาสร้างธรรมะที่จะปกป้องรักษาคุ้มครอง ให้จิตใจตั้งอยู่ในความสงบและกำจัดสิ่งที่ทำให้จิตใจทุกข์วุ่นวายที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปพอไม่มีสิ่งที่ทำให้ใจทุกข์วุ่นวายหมดไปแล้วก็ใจก็จะมีแต่ความสุขมีแต่ความสงบไปตลอดจะไม่มีความทุกข์ความวุ่นวายใจอีกต่อไป นี่คือสิ่งที่เราจะต้องเลือกกันมันเป็นทางเดินสองทางทางเดินทางโลกกับทางเดินทางธรรมถ้าเรายึดทางโลกเป็นทางเดินเราก็จะเดินเข้าหากองทุกเราก็จะเดินเข้าหาการเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่มีวันจบสิน้นแต่เราเลือกทางธรรมเราก็จะออกจากกองทุกขเราจะออกจากการเวียนว่ายตายเกิด เราจะไปสู่ความสงบสุขที่แท้จริงที่ถาวรคือพระนิพพานการที่เราจะไปถึงพระนิพพานได้เราก็ต้องมีผู้นําทางผู้ที่จะน ang, ําทางก็คือผู้ที่ได้ไปถึงพระนิพพานแล้วก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เองเราจรึงต้องปฏิบัติตามพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่าน ได้สละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทอง ส, รรสละลาบยศสรรเสริญสละรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะเราก็ต้องสละถ้าเราอยากจะได้สิ่งที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายได้รักกันท่านสละทรัพย์สมบัติแล้วท่านก็มาบำเพ็ญรักษาศีลมาบำเพ็ญจิตตภาวนา จเจริญสติเพื่อให้เกิดสมาธิเมื่อมีสมาธิแล้วก็จเจริญปัญญาพอมีศีลมีสติมีสมาธิมีปัญญาแล้วก็จะสามารถรักษาใจให้สงบได้ตลอดเวลาสามารถกําจัดเหตุที่จะมาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจต่างๆให้หมดไปจากใจได้ใจก็จะ ไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในใจอีกต่อไปถ้าเป็นร่างกายที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็จะหายจากโรคภัยไข้เจ็บเพราะยาที่หมอให้มานี้เมื่อเราได้รับประทานเข้าไปแล้วยาก็จะไปทําหน้าที่ทําลายเชื้อโรคต่างๆที่สร้างความไม่สบายให้แก่ใจให้ความไม่สบายให้แก่ร่างกายพอเชื้อโรค ถูกทำลายไปหมดความไม่สบายของร่างกายก็หายไปร่างกายก็กลับมาอยู่อย่างปกติสุขอยู่อย่างสบายใจของเราก็เช่นเดียวกันถ้าใจของเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้ามาสู่ใจแล้วใจของเราก็จะมีความปกติสุข ใจของเราจะหายจากความทุกข์จากความวุ่นวายต่างๆดังนั้นเราจึงต้องปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามพระอริยสงฆส์ตอนนี้ถ้าเรายังไม่สามารถสละได้เต็มที่ก็ทำไปตามที่เราสามารถสละได้ก่อนถ้าเราอยากจะสละจริงๆนี่เราสละได้มากกว่าที่เราสละกันตอนนี้ ที่เราไม่สละกันเพราะเพราะว่าเรายัางอาศัยยังยึดติดกับทรัพสมบัติเข้าของเงินทองเป็นที่พึ่งนั่นเองแต่ถ้าเราได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็จะเห็นโทษของการยึดติดกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเราก็จะได้ลดระดับการพึ่งทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง ให้น้อยลงไปเรื่อยๆแทนที่จะเอาเงินทองนี้ไปเที่ยวตามสถานท่องเที่ยวต่างๆเราเอาเงินทองนี้มาอยู่วัดกันดีกว่ามาอยู่วัดมามาจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารค่าบำรุงวัดแล้วก็จะได้มีเวลามารักษาศีลมีเวลามาเจริญสติสมาธิปัญญากัน ทุกครั้งที่เราอยากจะไปเที่ยวเราก็เอาเงินและเวลานี้มาวัดกันดีกว่าแทนที่จะเอาเงินไปเที่ยวก็เอาเงินมาทำบุญทาทานอันนี้ก็จะทำให้เราทำทานได้มากขึ้นจะละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองให้ได้มากขึ้นไปตามลาดำับเพราะว่าเวลาที่เรามาอยู่วัดและเรามาได้รักษาสิ่งได้เจริญสติ ได้นั่งสมาธิได้เจริญปัญญาใจของเราก็จะได้ความสงบขึ้นมาขึ้นไปตามลำดำับพอเราได้ความสงบเพิ่มมากขึ้นเราก็จะเห็นคุณค่าของความสงบว่าดีกว่าคุณค่าของการไปเที่ยวไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายมันก็จะทำให้เราเลิกเที่ยวได้แล้วเราก็จะได้เอาเงินที่เราไปเที่ยว ไปซื้อความสุขต่างๆนี้มาทําบุญให้ได้มากขึ้นมาสละแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องไปหาเงินทองให้มากขึ้นเราก็จะมีเวลามากขึ้นต่อการที่เราจะมาหาหาธรรมะกันมาหาศีลมาหาสติมาหาสมาธิมาหาปัญญากันอันนี้ เราต้องปฏิบัติไปตามกำลังของเราก่อนในขณะนี้แล้วพยายามฝืนตันหาความอยากของเราเวลาที่จะชวนให้เราไปหาความสุขทางตาหูจมกูกนิ้นกายเราก็บอกว่ามาหาความสุขทางใจดีกว่าเงินทองที่เราจะไปใช้ในการหาความสุขทางตาหูจมกูกลิ้นกายเราก็ เอามาทำบุญแทนแล้วต่อไปเราก็จะได้ไม่ต้องไปเที่ยวเมื่อเราไม่ต้องไปเที่ยวเราก็ไม่ต้องมีเงินมีทองเ mm. มื่อเราไม่มีเงินมีทองเราก็ไม่เมื่อเราไม่ต้องใช้เงินใช้ทองเราก็ไม่ต้องไปหาเงินหาทองเราก็จะมีเวลามารักษาศีลมาเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาเพิ่มมากขึ้นไป แล้วพอเราได้ทำมากขึ้นเราได้รับผลมากขึ้นเราก็จะมีความสุขมากขึ้นมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินทองน้อยลงไปเรื่อยๆจนในที่สุดเราจะเห็นว่าเราไม่ต้องใช้เงินทองเลยนอกจากไว้ใช้สำหรับเป็นปัจจัยสี่เท่านั้นเองสำหรับร่างกายนอกเหนือจากปัจจัยสี่แล้วเราไม่รู้ว่าจะเอาเงินทองไปใช้อะไรไปใช้ทาไม เพราะการไปใช้เงินทองนอกเหนือจากปัจจัยสี่ไปใช้ตามความอยากนี้มันกับสร้างความทุกข์ให้กับใจของเรามากกว่าสร้างความสุขให้กับใจของเราเราก็จะสามารถสละเงินทองที่เรามีอยู่ทั้งหมดได้เราก็ไม่ต้องไปทํางานทําการเพื่อหาเงินทองอีกต่อไปเราก็จะสามารถไปบวชแบบที่พระพุทธเจ้า และพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายได้บวชกันได้เพื่อที่เราจะได้มีเวลาเต็มร้อยให้กับการรักษาศีลให้กับการเจริญสติเจริญสมาธิและเจริญปัญญานั่นเองถ้าเราปฏิบัติเต็มร้อยและปฏิบัติอย่างถูกต้องเราก็เรียกว่าสุ ป, ปฏิปันโ น, นนั่นเองปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ปฏิบัติดีก็ปฏิบัติเต็มร้อยถ้าทำเรียนหนังสือก็ได้ก็ก็ได้คะแนนเต็มร้อยปฏิบัติชอบก็ปฏิบัติอย่างถูกต้องปฏิบัติตามแบบที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติปฏิบัติตามแบบพระอริยสงสาวกได้ปฏิบัตินี่เมื่อเราได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ผลที่พระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวกผู้เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้รับเราก็จะได้รับเช่นเดียวกันแล้วก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นนักบวชหรือเป็นผู้ครองเรือนไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นหญิงหรือเป็นชายเป็นหญิงเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่เป็นคนไทยหรือเป็นคนต่างประเทศสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นตัวกําหนด ผลที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์แต่อยู่ที่การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี้เองคือทำทานได้อย่างเต็มร้อยรักษาศีลได้อย่างเต็มร้อยจเจริญสติสมาธิปัญญาได้อย่างเต็มร้อยถ้าเหตุเป็นอย่างนี้ผลก็จะเป็นเต็มร้อยเช่นเดียวกันผลที่เต็มร้อยก็คือมรซีผลสี่นี่ผ่านหนึ่ง ผู้ปฏิบัตินี้จะได้มรรคผลนิพพานกันเริ่มตั้งแต่มรรคผลของพระโสดาบันแล้วก็ตามไปด้วยมรรคผลของพระสกิดาคามีต่อด้วยมรรคผลของพระอนาคามีและไปสิ้นสุดที่มรรคผลของพระอรหันต์เมื่อไปถึงขั้นของพระอรหันต์ก็จะได้เข้าสู่พระนิพพานไป ท่านถึงเรียกว่ามรษีผลสีนิพพานหนึ่งนี่คือผลที่จะเกิดจากการปฏิบัติเต็มร้อยทาทานเต็มร้อยรักษาศีลเต็มร้อยจเจริญสติสมาธิปัญญาเต็มร้อยผลก็จะเต็มร้อยก็คือมรสีผลสีนิพพานหนึ่งก็จะปรากฏให้แก่ผู้ปฏิบัติเต็มร้อยคือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เราจึงเรียกผู้ที่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานว่าเป็นพระสุปฏิปันโนไม่ว่าจะเป็นนักบวชหรือไม่เป็นนักบวชเพราะคําว่าพระอริยสงฆ์นี้ไม่ได้จํากัดอยู่กับคําว่าต้องเป็นพระต้องเป็นนักบวชคําว่าพระนี้ความจริงความหมายของคําว่าพระก็คือผู้ประเสริฐผู้ที่ได้บรรลุธรรมอันประเสริฐเราไม่ได้เรียกคําว่าพระนี้ ว่าหมายถึงพระภิกษุแต่พระภิกษุก็ถือว่าเป็นพระเหมือนกันเพราะว่าพระภิกษุที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเช่นพระอริยสงสาวกทั้งหลายท่านก็เป็นพระภิกษุเราก็เลยบางทีไปหลงคิดว่าคําว่าพระนี่หมายถึงพระภิกษุเพียงกลุ่มเดียวแต่ความจริงแล้วคําว่าพระนี่หมายถึงพระอริยสงสาวุกของพระพุทธเจ้า ผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบซึ่งมีทั้งฆราวาสและนักบวชมีทั้งหญิงมีทั้งชายมีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่มีทั้งคนจนมีทั้งคนรวยมีคนมีทั้งคนที่สูงส่งและมีคนที่ต่ำต้อยมีทุกรูปแบบแม้แต่อจฉยากรก็ยังมีเช่นองคุลิมานี่ก็เป็นอจฉยากรมาก่อน ก่อนที่จะได้มาเป็นพระอาาริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเพราะหลังจากที่ได้พบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าได้รู้จักวิธีการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าก็น้อมเอามาปฏิบัติตามก็เปลี่ยนวิถีชีวิตจากการเป็นอาชญากรให้กลายมาเป็นพระอาาริยสงฆ์ขึ้นมาเป็นผู้ประเสริฐขึ้นมาเพราะ ได้รับผลอันเสรฐจากการปฏิบัติได้รับมรรผลนิพพานจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นเองดังนั้นท่านทั้งหลายท่านอย่าไปกังวลกับสถานภาพของท่านว่าท่านเป็นหญิงหรือเป็นชายเป็นกาลาวาดหรือเป็นนักบวชเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นผู้น้อยเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ร่ำรวยหรือเป็นผู้ยากจน สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นตัวที่จะทําให้ท่านได้บรรลุมรรคผลนิพพานกันตัวที่จะทําให้ท่านทั้งหลายได้มรรคบรรลุมรรคผลนิพพานนี้ก็คือตัวปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือการปฏิบัติให้เต็มร้อยให้เต็มที่ตามแบบฉบับของพระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายท่านปฏิบัติเต็มร้อยท่านทาทานเต็มร้อย ท่านรักษาศีลเต็มร้อยท่านเจริญสติเต็มร้อยนั่งท่านเจริญสมาธิเต็มร้อยท่านเจริญปัญญาเต็มร้อยถ้ามีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีการปฏิบัติปฏิบัติเต็มร้อยผลก็จะต้องเต็มร้อยเช่นเดียวกันเพราะนี่คือหลักของเหตุและผลไม่เปลี่ยนไปกับการละสมัยด้วย สมัยพระพุทธเจ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างไรได้รับผลจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างไรสมัย ป, ปัจจุบันนี้ก็จะได้เช่นเดียวกันถ้าสมัยนี้มีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ sure? erm ปฏิบัติเต็มร้อยผลก็จะเป็นผลเต็มร้อยเช่นเดียวกันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าจะมีพระพุทธเจ้าอยู่กับเราหรือไม่จะมีพระอริยสงสาวกอยู่กับเราหรือไม่ อยู่ที่การปฏิบัติของเราแต่การที่เราจะปฏิบัติให้ได้เต็มร้อยก็ต้องอยู่ที่การได้ยินได้ฟังได้ศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ศึกษาวิธีดำเนินวิธีการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าและของพระอริยสงสาวกอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องมีถ้าเราไม่รู้จักวิธีที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นอย่างไร ถ้าเราไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างไรเราก็จะไม่สามารถที่จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้เมื่อเราไม่ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราก็จะไม่ได้รับมากผลนิพพานเป็นผลที่เกิดจากการปฏิบัติเราก็จึงต้องศึกษาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ น้อมอาพระพุทธพระรรมพระสงค์เข้ามาสู่การปฏิบัติของเราพระพุทธเจ้าปฏิบัติอย่างไรพระอริยสงสาวกปฏิบัติอย่างไรเราก็ต้องปฏิบัติอย่างนั้นไม่มีข้ออ่ข้ออ้างว่าไม่สามารถปฏิบัติได้แล้วจะได้ผลถ้าอยากจะได้ผลนี่จะต้องปฏิบัติแบบเดียวกับที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกทั้งหลายได้ปฏิบัติกัน พระอริยสงสารกทุกรูปท่านก็เอาแบบฉบับของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติพระพุทธเจ้าทรงสละราชสมบัติพระอริยสงสารลกท่านก็สละทรัพย์สมบัติเก้าของเงินทองพระพุทธเจ้ารักษาศีลให้บริสุทธิ์พระอริยสงสารลกท่านก็รักษาศีลให้บริสุทธิ์กันพระพุทธเจ้าเจริญสติพระอริยสงสาวกก็เจริญสติ พระพุทธเจ้าเจริญสมาธิเจริญปัญญาพระอริยสงสารก่งก็เจริญสมาธิเจริญปัญญาตามพระพุทธเจ้าทุกอย่างท่านจึงได้มรรคผลนิพพานเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรับพวกเราก็เหมือนกันพวกเราถ้าอยากจะได้มรรคผลนิพพานอยากได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายอยากได้มีที่พึ่งทางใจเราก็ต้อง ปฏิบัติแบบเดียวกับที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงสารวกได้ปฏิบัติกันดังนั้นหัวใจของคาสอนในวันนี้ก็อยู่ที่คำว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่เองสุปฏิปันโนปฏิบัติให้เต็มร้อยทำทานให้เต็มร้อยรักษาศีลให้เต็มร้อยเจรินสมาธิเจริญสติเจรินสมาธิเจรญปัญญาให้เต็มร้อย แล้วเราลองได้ว่าผลก็จะเต็มร้อยเช่นเดียวกันกั น, ก, นก็คือมรซีผลสี่นิพานหนึ่งดังนั้นขอให้พวกเราจงพุ่งเป้าไปที่การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี้เถิดแล้วผลที่เราต้องการคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายการได้บรรลุถึงมรลนิพานก็จะเป็นผลที่จะตามมาอย่างแน่นอน ไม่มีอย่างอื่นที่จะทำให้เกิดผลเหล่านี้ขึ้นมาได้ไม่ได้อยู่ที่เพศอยู่ที่วัยไม่ได้อยู่ที่ฐานะภาพไม่ได้อยู่ที่เชื้อชาติว่าเป็นชนชาติใดอยู่ที่การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพียงอย่างเดียวเท่านั้นดังนั้นขอให้เราดูตรงนี้ดูว่าเรากำลังปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือเปล่า เราการังปฏิบัติแบบที่พระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวกได้ปฏิบัติและสอนให้พวกเราปฏิบัติกันหรือเปล่าถ้าเราได้ทำตามที่พระุทธเจ้าพระอริยสงสาวกได้ปฏิบัติและสอนให้พวกเราปฏิบัติเราก็จะได้รับผลอย่างแน่นอนจึงขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิณิพิจนาและไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญ เพื่อมรรคผลนิพพานที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้ผ่อนอยะทาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินางเป ต, ตานาังอุ ป, ปากา ป, ะปะติ อิชิตังปัฏถิตังตุมหังเขปะเมวะสัมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาราโสยทามณิโชติราโสยทาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรารโย ο, สุขีทีขายุโกภวะ อาพิวาทานสีลิษะนิจังวุฒาปจายโนจตารโธรร ม, มาวัทานติอายุวันโอสุขังภาลาังลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบ ป, ปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีคำถามอยากจะถาม ก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เลิกประชุมแล้วก็จะขอยุติการถามตอบถ้าใครอยากจะถามก็เชิญถามได้เลยพูดใกล้ๆไมโครโฟนหน่อยจะได้เสียงดังลูกขอคำความเมตตาจากพระอาจารย์ค่ะคือลูกได้นั่งสมาธิแล้วก็มันสงบไปอะคะ่ะพระอาจารย์ หลังจากนั้นเนี่ยสักพักหนึ่งรู้สึกว่ามันจะใช้ปัญญาค่ะไปคิดถึง เ, เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปแล้วก็ไปคิดถึงเรื่องธาตุดินน้ำลมไฟก็เลยไม่แน่ใจว่าจะสามารถเดินปัญญาได้หรือเปล่าคะหรือว่าต้องให้มีความสงบมากกว่านี้เพราะว่าบางทีเรานั่งสมาธิอะค่ะมันไม่ได้สงบทุกครั้งอะค่ะ ก็พยายามฝึกสมาธิให้ชำนาญก่อนเวลาจิตสงบก็อย่าไปคิดอย่าไปพิจารณาให้สงบนิ่งๆเฉยๆไปนานๆให้มีความอิ่มใจสุขใจไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่นั่งนิ่งๆนั่ ง, งแล้วเราไปพิจารณาเราก็จะไม่มีความอิ่มใจสุขใจเพราะเราพิจารณาอะไรเราก็จะไม่สามารถปล่อยวางได้ ดังนั้นสิ่งแรกที่เราควรจะสร้างขึ้นมาก็คือความสงบความสุขความอิ่มใจให้มีไว้มากๆเพราะเราถ้าเรามีความอิ่มแล้วเราก็จะสามารถปล่อยวางสิ่งต่างๆได้ที่เราปล่อยวางไม่ได้ครับเพราะว่าเรายังไม่มีความสงบพอทั้งๆที่เรารู้ว่าสิ่งต่างๆนั้นจะต้องจากเราไปแต่เรายังต้องพึ่งเขาอยู่ยังต้องอาศัยเขาอยู่ เพราะเรายังไม่มีความอิ่มใจสุขใจที่จะเลิกพึ่งเขาแต่ถ้าเรามีความสุขมีความอิ่มใจแล้วเราก็ไม่ต้องพึ่งสิ่งต่างๆที่เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงที่จะต้องจากเราไปได้แล้วเราก็จะปล่อยวางไม่ทุกข์กับเขาได้เวลาที่เขาจากเราไปลูกหลังถ้าเกิดลูกไปเดินปัญญาลูกต้องโทก่อนใช่ไหมคะอาจารย์อ เรื่องของปัญญานี้คือเรื่องของการเห็นใจรักเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตก่อนที่จะไปทางปัญญาเราต้องมีสมาธิมีความสงบมีอุบเบกขาก่อนเพราะถ้าเราไม่มีอุบเบกขาเราจะปล่อยสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ได้เจ้าลูกเราสามีเรานี้เรายังปล่อยไม่ได้เพราะเรายังยึดติดกับเขาอยู่เพราะเรามีความสุขกับเขา พอเราไม่ได้ัวเขาจากเราไปเราก็จะทุกข์ใจเพราะเราไม่มีความสุขใจนั่นเองถ้าเรามีความสุขใจเราจะไม่ต้องพึ่งเขาไม่ต้องพึ่งสามีไม่ต้องพึ่งลูกเวลาเขาจากเราไปเราก็จะไม่ทุกข์ขอบขอบพระคุณมากค่ะนงั้นถ้าเรายังต้องพึ่งคนนั้นคนนี้พึ่งสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ก็แสดงว่าเรายังไม่มีความ สุขใจอิ่มใจถ้าเรามีความอิ่มใจแล้วเราก็ไม่ต้องพึ่งสิ่งต่างๆเราก็จะปล่อยวางสิ่งต่างๆได้เวลาเขาพัดพากจากเราเราก็จะไม่เสียใจไม่ทุกข์ใจคําถามจากทางบ้านจากผู้ฝากถามการเดินจงกรมนั่งสมาธิควรกําหนดเวลาไหมคะประมาณเท่าใดถึงพอดีคะเวลาเที่ยวเรากําหนดเวลาเที่ยวกันหรือเปล่า เที่ยวกันยังทั่งหมดแรงเที่ยวไม่เห็เวลาเดินยองกลนั่งสมาธิทําไมต้องมากําหนดเวลาก็ปฏิบัติจนมันไม่มีแรงที่จะปฏิบัติเน่ได้มากเท่าไหร่ ย, ยิ่งดีคําถามจากคุณพีรพงศ์ข้อหนึ่งการเจริญภาวนามีสามขั้นตอนเริ่มจากเจริญสติเจริญสมาธิและเจริญปัญญาถ้าหยุดอยู่ที่การเจริญสมาธิคือสมถะภาวนา ถ้าออกจากสมาธิแล้วเจริญปัญญาต่อคือวิปัสนาภาวนาผมเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องแล้วใช่ไหมครับถูกต้องแล้วเวลาจิตสงบอย่าเพิ่งไปเจริญปัญญาให้จิตถอนออกจากความสงบก่อนแล้วค่อยไปเจริญปัญญาไปพิจารณาใจรักเพื่อปล่อยวางข้อ 2. เมื่อออกจากสมาธิจิตจะรู้เองใช่ไหมครับว่าออกมาจากคณิกาสมาธิอุปจารสมาธิ หรืออัปนาสมาธิแล้วจึงตัดสินใจว่าควรกลับไปเจริญสติหรือควรจะเจริญปัญญาต่อครับเวลาจิตสงบจะไม่มีความคิดปรุงแต่งพอมีความคิดตรุงแต่งก็แสดงว่าจิตออกจากสมาธิแล้วข้อสามกายเวทนาจิตธรรมใช้สำหรับเจริญสติส่วนการเจริญปัญญาให้ใช้รูปเวทนา สัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมครับกายเวทนาจิตธรรมก็เป็นที่จเจริญปัญญาเหมือนกับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปก็คือกายเวทนาก็คือเวทนาจิตก็คืออารมณ์ธรรมอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ภายในจิตธรรมก็คือธรรมที่เป็นฝ่ายสร้างความสุขกับธรรมที่เป็นฝ่ายสร้างความทุกข์ เราก็ต้องดูว่าเรามีทำฝ่ายไหนข้อสี่ถ้าชาตินี้ผมปฏิบัติได้ไม่ถึงขั้นตอนอัปปนาสมาธิก็หมดสิทธ์ตัดกิเลสใดๆเลยตายไปก็ต้องวนเวียนอยู่ในสามโลกไม่ต่างอะไรกับคนที่ไม่รู้จักพุทธศาสนาใช่ไหมครับก็ไม่แน่ถ้าปัญญาเราคิดว่ามีกำลังพอที่จะตัดได้มันก็ตัดได้อยู่ที่ปัญญา ว่าจะตัดขาดหรือไม่ขาดจะว่าอยู่อัปปนาสมาธิอย่างเดียวหรือไม่อันนี้ก็ตัวอัปปนาเองก็ไม่สามารถาทำลายกิเลสได้ต้องใช้ปัญญาอยู่ดีเพียงแต่ว่าปัญญาถ้ามันไม่แหลมคมพอมันไม่มีสมาธิสนับสนุนมันอาจจะไม่มีกำลังพอเหมือนมีดที่คมแต่คนฟันมีดนี้ไม่มีกำลัง ก็ไม่สามารถที่จะตัดไม้ให้ขาดได้คนที่ฟันก็ต้องมีกำลังบีก็ต้องคมมนถึงจะตัดได้คำถามจากคุณสายสมน์ข้อหนึ่งขออุบายทำในการพิจารณาเพื่อละอุปทานจากคำว่าเราและละคำว่าเราคือผู้รู้และผู้รู้คือเราค่ะก็ต้องภาวนานะ่จิตสงบก็จะเห็นผู้รู้ คำว่าเราก็หายไปเราก็จะได้รู้ว่าคำว่าเรามาจากที่ไหน iliśmy. เราก็จะรู้ว่าคำว่าเรามาจากสังขารความคิดปรุงแต่งพอไม่พอสังขารความคิดปรุงแต่งหยุดปรุงคำว่าเราก็หายไปก็เหลือแต่แลเหลือแต่ผู้รู้เราก็จะได้รู้ว่าตัวจริงของจริงก็คือผู้รู้นี่เองส่วนตัวปลอมก็คือตัวตัวสังขารที่ไปคิดปรุงแต่งว่าเป็นเราเป็นของเรา เราก็จะได้ไม่หลงไปกับความคิดปรุงแต่งเราก็จะอยู่กับผู้รู้อยู่กับของจริงของแท้ข้อ2โยมต้องทำงานยังใช้ชีวิตทางโลกมีความวุ่นวายภายนอกเข้ามาสัมผัสอยู่ประจำแต่พยายามไม่ยึดติดการใช้ชีวิตเป็นคาราวาสจะสามารถับอุปทานความเป็นเราได้ไหมคะถ้าได้ได้มากน้อยเพียงใดคะ ยากเพราะว่าตัวเรานี่แหละเป็นตัวที่ทําให้เราเป็นเพศการวาสเพราะพอเป็นตัวเราเราก็ต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนี้มีลาบยศสรรเสริญมีความสุขทําอะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็ทําเพื่อตัวเราไปทํางานทําการทํามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็หาหาเพื่อตัวเราของหาได้อะไรมาก็เป็นของเราการที่จะตัด สิ่งเหล่านี้ได้เราต้องไม่มีอะไ ร, รถึงจะเรียกว่าไม่มีตัวเราของเราคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามดิฉันขอถามเพิ่มเติมจากเมื่อวานความพยายามชอบในมารคมีองค์แปดความเข้าใจของดิฉันคือการปฏิบัติเพื่อทำตัวรู้ให้ตื่นขึ้นบริสุทธิ์จากเครื่องกังวลใจด้วยการเดินด้วยการนั่งจึงเป็นเหตุให้เจริญสัมมาสติ เพื่อคุมตัวรู้ให้ตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันตื่นรู้จนนำไปสู่การระลึกรู้ตามความเป็นจริงโดยอาศัยกำลังความสงบของสัมมาสมาธิใช่หรือไม่คะ ก, การเพียงก็เพียนเพื่อให้เกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาขึ้นมาคำถามจากคุณประพีสวีลูกมีความคุนเคืองใจต่อผู้มีพระคุณ ก็รู้และเข้าใจว่าสิ่งที่ผู้มีพระคุณบอกสอนอยู่บนพื้นฐานของธรรมแต่ใจลูกก็รับไม่ได้ลูกรู้สึกเสียใจและผิดหวังมากจนใจเกิดความเบื่อหน่ายไม่อยากข้องแวะต่อผู้มีพระคุณอีกเลยตอนนี้ใจและกายของลูกช่างว้าวุ่นทุกข์เหลือเกินหยุดความคิดได้คือนอนหลับพอลืมตาเรื่องต่างๆก็ไหลเข้ามาดังเดิมพยายามนั่งสมาธิ เดินจงกรมแต่ก็แก้ไม่ได้ยิ่งอยากแก้อยากเข้าใจในสิ่งที่ผู้มีพระคุณสอนแต่ความรู้สึกกับยิ่งถาโถมเข้ามามากแทนที่จะเข้าใจกลับกลายเป็นต่อต้านและเบื่อหน่ายพระอาจารย์โปรดเมตตาชี้ทางสว่างให้ผู้มืดบอดได้เห็นทางด้วยค่ะออให้มันบริกรรมพุทโธเพียงอย่างเดียวอย่าไปคิดถึงเรื่องอะไรทั้งหมดพุทโธมันไปตั้งแต่ลืมตาขึ้นมา อย่าไปคิดถึงเรื่องอะไรต่างๆยิ่งคิดก็ยิ่งวุ่นวายหยุดคิดวิธีจะหยุดคิดก็ต้องใช้พุโทโธหยุดเท่านั้นงั้นอย่าไปคิดอะไรให้คิดแต่คําเดียวคือพุโทโธพุโทโธไปได้เรื่อยแล้วเดี๋ยวใจก็จะสงบแล้วใจก็จะมีเหตุมีผลอารมณ์วุ่นวายต่างๆก็จะหายไปคําถามจากคุณจรัญญาผลของการปฏิบัติคือทราบว่าจะสุขหรือทุกข์อยู่ที่ตัวเรา ไม่ว่าจะโลภโกรธหลงเราก็ทุกทั้งนั้นเราต้องพยายามรักษาใจเราไม่ว่าจะคิดพูดทำที่จะไม่เบียดเบียนตนเองหรือผู้อื่นคือรักษาตนเองให้มีความสุขปฏิบัติถูกต้องหรือเปล่าคะก็พยายามรักษาใจให้เราสงบแล้วใจสงบแล้วเราจะมีความสุขคำถามจากคุณทันพิสิทธ เวลาผมภาวนาบริกรรมพุโทโธไปแล้วจิตใจมันวอกแวกคิดนู่นนี่ผมจึงพยายามบังคับมันบริกรรมให้มันเร็วและถี่ขึ้นแต่สุดท้ายใจมันก็เผลอพุโทโธก็หลุดไปผมต้องพยายามบังคับมันให้อยู่แบบนี้บ่อยๆหรือเปล่าครับความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จก็อยู่ที่นั่นตอนนี้เราก็เป็นเหมือนเด็กที่ยังล้มลุกคลุกขานอยู่ยังเดินยังวิ่งไม่ได้ เดินได้สองก้าก็ล้มลงไปวิ่งได้สองเก้าก็ล้มลงไปแต่ถ้าเราพยายามลุกขึ้นมาเดินใหม่วิ่งใหม่ต่อไปเราก็จะเดินได้วิ่งได้เองเวลาที่เราเผอพุทธโธเราก็กลับมาใหม่จะเริยนพุทธโธใหม่อย่าอย่าท้อแท้อย่าเบื่อหนา่าอย่าหยุดแล้วรับรองได้ว่าสักวันหนึ่งเราก็จะเราก็จะได้รับผลจากการบริกรรมพุทธโธคาถามจากคุณอูจงัง เราจะกำหนดความกลัวออกไปจากจิตได้อย่างไรคะเช่นกลัวผีหรือจิตวิญญาณก็เวลาเกิดความกลัวก็ให้เราเลกถึงพระพุทธเจ้าบริกรรมพุทโธพุทโธไปอย่าส่งใจให้เราไปคิดถึงความกลัวสิ่งที่เรากลัวแล้วความกลัวมันก็จะหายไปถ้าใจสงบไม่คิดถึงสิ่งที่เรากลัวความกลัวก็จะหายไปความกลัวเกิดจากการที่เราไปคิด คิดแล้วก็เกิดความกลัวขึ้นมาเองพอเราหยุดคิดความกลัวก็จะหายไป ห, หมดแล้วเดี๋ยวมาช่วยส่ง ม, มาทางคุณต่อนะคําคําถามจากทาง a c e b o o k live นะครับคําถามแรกจากคุณจุ๊บนะครับมีน้องสาวฝากคําถามมาดังนี้เจ้าค่ะอาการตอนนั่งสมาธิแล้วรู้สึกตัวบวมพองเหมือนตัวจะแตก ยิ่งมีสติบริกรรมไม่หยุดใจมันยิ่งเต้นแรงตัวมันจะพองขึ้นเรื่อยๆแล้วเหมือนมีแสงสีขาวสว่างสะอาดอยู่รอบตัวมันคืออาการของปิติหรือเปล่าคะแล้วถ้าสมมติเป็นอาการของปิติคำถามอีกข้อก็คือมีปิติซ้อนปิติได้ด้วยหรือคะพอดีตอนนั้นใจกะช่องท้องรู้สึกชุ่มเย็นสบายอยู่จึงคิดว่าเข้าปิติอยู่ก่อนแล้วคะ่ะ แล้วจะทำยังไงถ้าอาการนี้เกิดอีกดีคะไม่ต้องไปสนใจว่ามันเป็นอะไรเป็นปิติหรือไม่เป็นปิติคือเราอย่าไปให้ความสำคัญกับมันอย่าไปสนใจให้ความสำคัญอยู่กับคำบริกรรมพุทโธไปเพียงอย่างเดียวแล้วสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมันก็จะหายไปคำถามจากคุณกิศณะนะครับน้องชายฝากถามว่านิพพานอยู่ภายใต้กฎของไตรลักษ หรือไม่เจ้าคะไม่นิพานไม่ได้อยู่ภายใต้ใกฎของตายละ่ะอยู่เหนือกฎของตายล้วส่วนคุณแม่ทุกใจเรื่องลูกชายติดเกมและพูดไม่เชื่อฟังจะทํายังไงดีเจ้าคะก็ปล่อยมันไปที่ถ้ามันไม่เชื่อแล้วจะทํำยังไงอย่าให้เงินมันเ้วยไม่มีเงินแล้วมันจะไปเล่นได้ไคําถามจากคุณวรพัฒนะครับอยากทราบว่าพระตัดหญ้าตัดต้นไม้ได้ไหมครับ ตามพระวินัยนี้ตัดไม่ได้เพราะว่าเขาถือว่าพระถือว่าหญ้าต้นไม้นี้มีชีวิตแล้วถ้าไปตัดก็แสดงว่าไปทำลายชีวิตดังนั้นถ้าต้องการจะตัดก็ให้ญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาทาแทนให้คาถามจากคุณลินนะครับถ้าเราต้องทำงานของเราซึ่งเป็นอาชีพสุจริตแต่คนในครอบครัวไม่เห็นด้วยจะทำยังไงดีคะ เพราะเขาโกรธมากและแช่งไม่ให้เจริญทุกใจมากก็เราทําอะไรเราเป็นคนรับผลของการกระทําของเราคนอื่นก็ไม่เกี่ยวอยู่ที่เราว่าเราต้องการผลอะไรเราก็ทําเหตุที่จะทําให้เกิดผลนั้นขึ้นมาคนอื่นก็ไม่ได้รับมาผลรับผลจากการกระทําของเราดังนั้นคนอื่นก็จะคิดยังไงเราว่าอย่างไงเราก็ห้ามเขาไม่ได้ แต่คนอื่นทำอะไรแทนเราไม่ได้รับผลแทนเราไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องแยกแยะว่าเราต้องการอะไรถ้าเราต้องการผลเราก็ต้องทาเหตุที่เราจะทาให้เกิดผลขึ้นมาการฟังคนอื่นนี้ไม่ได้ทำให้เกิดผลที่เราต้องการขึ้นมางั้นคนอื่นเราต้องอย่าไปสนใจนอกจากว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นเป็นคุณเป็นประโยชน์เช่นการกระทของเรานี้มัน เป็นบาปไม่ดีเราก็ควรจะฟังแต่ถ้าการกระทําของเราไม่เป็นบาปไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมไม่ได้ไปสร้างให้ใครเดือดร้อนเขาไม่ชอบให้เราทํามันก็ห้ามเขาไม่ได้แต่เราก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปฟังเขาคําถามจากคุณชัยชุมนะครับถ้าลูกชายบวชให้แม่ที่เสียไปแล้วแต่บวชแล้วไม่ิปฏิบัติ เป็นพระที่ดีแม่จะได้บุญใหม่ครับคือบุญที่เกิดจากการบวชนี้ก็แบ่งให้แม่ไม่ได้อยู่แล้วถึงแม่ปฏิบัติดียังไงก็แบ่งให้ไม่ได้นอกจากถ้าสามารถติดต่อกับแม่ได้แล้วสอนธรรมะที่ตนเองได้บรรลุนี้ให้กับแม่อันนี้แม่ก็จะรับได้เหมือนพระพุทธเจ้าตอนที่ทรงตัดสัรู้แล้วก็ทรงติดต่อกับแม่ที่อยู่อยู่บนสวรรค์ แล้วก็สั่งสอนธรรมะจนทำให้แม่บรรลุเป็นพระโสดาบันได้แต่ไม่สามารถอยู่เฉยๆโดยที่ไม่สั่งไม่สอนทำให้แม่ได้บุญจากการบรรลุของพระพุทธเจ้าได้ต้องสอนแล้วแม่ฟังแล้วปฏิบัติตามได้ก็จะบรรลุได้คำถามจากคุณวัชรินทร์นะครับในขณะนั่งสมาธิประมาณ20นาทีรู้สึกเหมือนมีไฟแยงตาเกิดจากอะไรครับทั้งที่ห้องมืด อ๋อมันก็เกิดจากจิตนะมันเวลานั่งสมาธินี่มันจะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆมากมายก่ายกองซึ่งแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเราเรียกว่าเป็นมายาของจิตก็แล้วกันนะเป็นการเล่นกลของจิตเราไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปให้ความสําคัญให้พิจารณาว่าเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปอย่าไปสนใจกลับมาทํางานของเราคือพุโทโธพุโทโธของเราไปเรื่อยๆ พอเราไม่ต้องเราต้องการเข้าสู่ความสงบจิตจะเข้าสู่ความสงบได้ก็ต้องมีพุโทโธพาเข้าไปเท่านั้นคำถามจากคุณก น, นันธรรมนะครับคาราวาผู้ปรารถนาความเป็นอริยะต้องถึงพร้อมทุกประการของทานศีลภาวนามากน้อยอย่างไรคะก็ถึงพร้อมถึงพร้อมด้วยเหตุผลมันก็พร้อมเอง จะอบอกว่าเท่าไหร่เราก็พูดไม่ได้ต้องลองปฏิบัติดูเอาเองก็แล้วกันถ้าปฏิบัติยังไม่ได้ผลก็แสดงว่าเหตุยังไม่พร้อมก็ต้องเพิ่มเหตุไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะได้ผลคำถามจากคุณบ่าววีนะครับการตัดตัวอวิชชาต้องทำอย่างไรครับจึงจะสำเร็จตอนนีนะ้ต้องปฏิบัติต้องนั่งสมาธิต้องเจริญปัญญาเราก็จะสามารถตัดอวิชชาให้หมดไปจากใจได้ คำถามจากคุณสุ ก, กี้นะครับแนะนำวิธีการละอัตตาในตนเองควรที่จะนำหลักใดมาพิจรารณาก็ทำตัวให้เป็นแผ่นดินทำตัวเหมือนให้เป็นแจลวเป็นคนนับใช้เป็นที้ข้าอย่าทำตัวเป็นใหญ่เป็นโตก็ะจะละอัตตาตัวตนได้คำถามจากคุณตะวันนะครับช่วยอธิบายปัญญาขั้นตอนการเกิดดับรู้มองเหตุทุกข์ความไม่เที่ยง ค่ะเช่นดูร่างกายว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายก็เกิดดับเกิดแล้วเดี๋ยวก็แก่แก่แล้วก็เจ็บเจ็บแล้วเดี๋ยวก็ตายตายก็ดับให้พิจารณาอย่างนี้ไปเรื่อยๆทุกร่างกายไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครเหมือนกันหมดเกิดแล้วก็ต้องตายเป็นธรรมดาห้ามไม่มีใครห้ามได้คาถามจากคุณสุรสิทธิ์นะครับ ปฏิบัติตามคำสอนพระอาจารย์แล้วเห็นสติดีและชัดเจนขึ้นครับใจตั้งมั่นและตัวตรงดีครับขอทราบว่าการแก้จเจริญสติสมาธิในช่วงร่างกายเหนื่อยหลังการทำงานด้วยครับเพราะหลับในสมาธิแต่นั่งตั้งตรงและนั่งสมาธิได้ตามเวลาที่กำหนดครับแต่ตัวรู้หายไปหายไปก็สติไม่มีไม่มีก็ถือว่าหลับไป ก็ต้องอทำงานให้น้อยลงถ้าทำงานน้อยลงก็ต้องใช้เงินให้น้อยลงถ้าใช้เงินน้อยลงก็ไม่ต้องหางานไม่ต้องหาเงินมากเมื่อไม่หาเงินมากก็ไม่ต้องทำงานมากแล้วก็จะมีเวลามาปฏิบัติได้มากขึ้นคำถามจากคนพีโอเน่นะครับการสวดมนต์กับการภาวนาเป็นอย่างเดียวกันไหม และการสวดมนต์จําเป็นต้องสวดยาวๆไหมคะการสวดมนต์ก็เป็นวิธีเจริญสติวิธีทําใจให้สงบแบบหนึ่งเหมือนกับการบริกรรมพุทโธเพียงแต่ว่าจแทนที่จะใช้คําพุทโธคาเดียวก็ใช้บทสวดมนต์ไปแทนเท่านั้นเองผล ก, ก็คือเหมือนการจะได้สติแล้วก็จะได้ความสงบคาถามจะคุณใจดีนะครับ เมื่อเช้าที่ท่านพระอาจารย์เดินบิณฑบาตมีคนเข้ามาคอมเมนต์ในรายการถ่ายทอดสดว่าทำไมพระเมื่อโยมใส่บาตรแล้วถึงไม่ให้พรผมเลยคิดว่าเขาคงอยากรับทราบไม่อยากจะถามว่าพระยืนให้พรได้หรือไม่ครับทำไมต้องถามด้วยทำไมไม่ใส่บาตรทำไมชอบนั่งวิภาควิจารณ์มันได้บุญให้ไหนถ้าอยากจะได้บุญก็ใส่บาตรดีกว่า พรมันอยู่ในตัวของผู้ให้แล้วเข้าใจไหมพรก็คือบุญกุศลที่เกิดขึ้นแล้วจากการใส่บาตรไม่จำเป็นจะต้องให้ผ้ามาบอกถ้ามาบอกคนนี่วันนี้เมื่อเช้านี้คนใส่สองร้อยคนมาสวดสองร้อยครั้งก็บายไม่รู้จะบินบาทเสร็จหรือเปล่า mm hmm. เขาไมนน่ยมตามเขาไม่ น, นิยมให้ให้พรในขณะที่เดินบิณฑบาตกัน อันนี้ไม่ทราบใครอุตริเลํากันขึ้นมาก็เลยคิดว่าจะต้องเป็นการปฏิบัติแต่การปฏิบัติที่ถูกต้องครูบาอาจารย์ท่านนําพามาอ น, นี้ไม่มีการให้พรเพราะว่าพรนี่มันเกิดขึ้นแล้วจากการใส่บาทนั้นโดยที่ไม่ต้องให้มีพระมาบอกมาให้พระให้พรไม่ได้พระมาขอข้าวกินจะเอาพอรที่ไหนมาให้โยม โยมนั่นแหละเป็นคนให้พรพระให้ข้าวพระกินพอพอโยมใส่บาตรให้พระแล้วโยมก็ได้พรแล้วได้ความสุขได้ความเจริญแล้ววันนี้คําถามหมดแล้วครับอาจารย์เออดีนะน้อยหน่อยมีใครอยากจะถามไหมทางนี้เพราะมันถามมาทุกวันมันก็คงจะถามหมดแล้วคําถามมันก็แบบเดียวกัน ถามคล้ายๆกันมีกครสงสัยในคำตอบที่ตอบในวันนี้บ้างไหมอยากจะให้อธิบายดรือขยายความเพิ่มขึ้นก็ถามมาได้ถ้าไม่มีก็คิดว่าเราจะได้เลิกประชมกันวันนี้ก็เลิกเร็วหน่อยจะได้มีเวลาไปทำอย่างอื่นกันต่อ